Thank mm -hmm. you. ถืว่าเป็นอาชีพหรือว่าธรรมะวรณัยเป็นอาชีพของพวกเราเทสนาไม่ก็ถือว่าเป็นอาชีพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นบุญอย่าเบือ่อนายอุตแสดงทำก็ไม่ต้องเบือ่อนายในชีวิตชีว่าผู้ฟังก็อย่าเบือ่อนาย แต่ผู้ฟังเบื่อหน่ายก็ไม่เจริญเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนที่เกียจทำตามแต่ว่าชีวิตไม่เจริญโดยเฉพาะพวกเราที่มาอยู่วัดวาอารามยิ่งมีหน้าที่โดยตรงแล้วก็หน้าที่ฟังธรรมเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติ เราก็พากันมาปฏิบัติมาปฏิบัติมาเจริญสติการเจริญสติกับการฟังมันเป็นอันเดียวกันมันแยกไม่ออกฟังก็การพูดก็อันเดียวกันกับการกระทําของพวกเราโดยเฉพาะการเจริญสติผู้ที่ทําใหม่ๆยังไม่ชำเนื้อชำนาญไม่ชำนาญในการที่จะให้กายมาลู่ศึกตัว เวลามันหลงก็ไม่ชํานานเวลามันรู้ก็ไม่ชํานาญให้ความหลงหลงไปเรื่อยๆให้ความรู้หลงไปเรื่อยๆมันชํานาญในความหลงความรู้เพื่อหลงความหลงเพื่อหลงพอเรามาฝึกหัดเนี่ยความหลงกับเพื่อรู้ความรู้กับเพื่อรู้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับภายกับใจทุกที่ชํานี้ชํานาญ จะเกิดความรู้ไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราวมันมีความจำนานได้การฝึกอะไรก็จำนานในเรื่องนั้นจะเป็นการใช้ตาใช้หูใช้ลูกใช้ลดใช้กลิ่นใช้เสียงก็คุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำบ่อยๆการได้ยินได้ฟังกับการกระทำมันก็อาศัยการประกอบกัน เวลามันหลงเราก็รู้สึกตัวเวลามันไม่หลงเราก็รู้สึกตัวให้ประกอบให้ทําแบบนี้ไปขณะที่ทํำใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปเอาผิดเอาถูกกับการกระทําของเราอย่าไปเอาเหตุเอาผลกับการกระทําของเราหลงก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่เป็นไรเรื่อยไปเสียก่อนมันมีหลักอยู่ดอกทําไปทําไปมันหลงเพื่อรู้ทําไปทําไปมันรู้เพื่อรู้เพราะมันได้ความถูกได้ความผิด ความผิดก็ทนต่อความถูกมาได้ความผิดก็ไม่มีโอกาสที่จะผิดไปถ้ามีความถูกต้องาทาย่อมชนะธรรมสิ่งไหนเป็นธรรมก็ย่อมทนต่อการพิสูจน์สิ่งไหนไม่เป็นธรรมก็ย่อมไม่ทนต่อการพิสูจน์ในตัวเราเนี่เป็นกายมีสติรูกายนีย่ตัวตนอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเป็นตัวเป็นตนเอาไปเป็นภพเป็นชาติในกาย มันไม่จริงในกายนี่ถ้ามีสติสติยึดพื้นที่ของกายกายไม่ได้แสดงอันอื่นไม่ได้แสดงฉากอื่นแสดงแต่ความรู้สึกตัวแต่ก่อนนี่กายมันแสดงหลายฉากเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติเป็นเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายอยู่ในกายแบบป่าๆเถื่อนๆพอเรามีสติแล้ว หมดสิทธิเรื่องอื่นมีแต่สติเข้าไปครองมีแต่สติเข้าไปครองกายนีย่วิธีปฏิบัติที่เราทำนะความจริงก็ยยอมเป็นความจริงแบบนี้แหละเมื่อมีสติไปลงพื้นที่กับกายก็ยึดพื้นที่ของกายเพื่อเป็นที่ตั้งของฐานของสติปัฐานหรือว่าชอบทำแล้วากายมีสติ การแสดงออกทางกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เรื่องของสติโดชอบทําไม่เสียเวล่ลวลาไปสุขไปทุกข์ไปเป็นพบเป็นชาติให้เสียงอื่นมาแสดงเป็นความหลงเป็นความรู้เป็นความผิดความถูกอยู่บนกายเราก็เคยเสียเวลามามากแล้วพอมารู้มาเห็นเข้าก็กตื่นลือล้นเพื่จะช่วยกาย การช่วยกายในเป็นเรื่องกระตือหรือล้นมากๆาก่้ผู้นี้ที่มีสติหรือผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่ได้พรุดธรรมไม่ได้คิดจะเกิดชิดแต่ชิดจะช่วยเหลือคนนอนคนดีสิ่งโน่นสิ่งนี้ผู้ที่มีสติเห็นกายเป็นเวิร์กต้นก็ช่วยกายเป็นการเป็นงานสมน้ำสมเนื้อ แ, แต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับคิด แต่ก่อนเวทนาเนี่ยเป็นที่แส ด, แดงของหลายๆายอย่างต่อไปจนเวทนาก็เกิดประทันเวท น, น, นาเกิดตัณหาเวทนาเกิดกิเลสเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรมากมายมันไปทางนูน้นพอมีสติเห็นเวทนามันก็ยืดพื้นที่ของเวทนาอีกไม่ให้เป็นที่แส ด, แดงของสุขของทุกข์ของกิเลสตัณหา ของอุปทานของภพของชาติในเวทนามันก็ไม่ีภพไม่ีชาติบางทีมันก็ติดภพติดชาติ ด, ต ด, ด้วยเวทนานะเป็นภพเป็นชาติเก่งคู่กันกับจิตกับขันกับรูปอะไรมากมายในเวทนามันเกี่ยวข้องไปไกลมันถนนหนทางต่อกันไปเรื่อยๆ อ, ออกไปโดดผ่านตรงนี้ไปเรื่อยๆ มันไปเกิดน่นเกิดนี่โผลน่นโผนี่ไปเรื่อยๆอ่ามันไปมันไปมันไม่หยุดหมืนเชื่อโลกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรากบาทีถ้ามันลูกเรามากๆเขาก็ตัดตัดค้าตัดแ้นตัดหมดลูกตัดเต้านมเพื่อตัดทางมันมาให้มันคลุกขามไปไกลการมีสติไปเห็นกายเห็นเวทนาเขาก็ไม่กลับตัด รูปแบบตัดรูปแบบตัดเพื่อไม่ให้มันกำเริบไปเดิมีแต่ความรู้สึกตัวเหมืนจิตก็มันกันที่มันเกิดขึ้นจากจิตเยอะแยะมากมายอย่างเดียวคือจิตคือคิดจิตมันคิดเกิดจากกิตที่มันคิดความคิดเกิดได้หลายอย่างคิดไปได้หลายเรื่องเกิดความโลภความโกรธความหลงมีสติบอ่มีสติลงไปก็ยึด พื้นที่ของจิตอันอื่นมาแสดงอยู่บนจิตไม่ได้หรอกนี่แต่ความรู้สึกตัวมีแต่สติแสดงอยู่บนจิตเป็นธรรมต่อจิตเป็นธรรมต่อเวทนาเป็นธรรมต่อกายา ม, กมีความรู้สึกมีความระลึกได้ในจิตยิ่งวัดคงคู่กันพอดีพอดีการบรรลุธรรมก็บรรลุตรงจิตนี่แหละไม่ใช่บรรลุตรงที่ไหน จับหลักจับฐานจับต้นเหตุต้นตอเห็นจิตคือเห็นมันคิดเห็นมันคิดคือเห็นมันหลงสาวไปสาวเหตุสาวต้นตอมันทำไมจึงหลงเพราะมันไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่ได้สร้างสติทำไมเราไม่ได้สร้างสติเพราะเพราะเรามัวแต่พยามามอื่นแต่ใช้ชีวิตแบบอื่นมากมาย ความคิดก็เอาไปกินซะในโลภในโกรธในหลงกายก็ไปกินจะไปติดอะไรมาเวทนาก็ไปติดอะไรมามันแบ่งแยกไปชีวิตที่ถูกแบง่งชีวิตที่ถูกแบง่งหลายเรื่องหลายราวก็จับปลาหลายมือไ ม, ไม่ได้อะไรกายก็ฟรีไปเวทนาก็ฟรีไปคิดก็ฟรีไปเอาไปกินฟรีถ้าเป็นกินเลสก็กิ เ, กเลสเอาไปกินฟรี ลอยนวลกิเลสมันเอาไปกินแบบลอยนวลเหมือนโจรผู้ลอยมันลักของเอาไปกินอย่างลอยนวลมันก็เคยถ้ามันเคยลักเคยได้มันก็เคยกลายเป็นนักเลงไปพอเราจะลู่เราก็หมดไปแล้วมันเราไปกินแบบลอยนวลวันนี้พอเปนสติเนี่ยมันเอาไปกินไม่ได้มันไม่ลอยนวลได้เวลาใดมันหลงมันกลับขึ้นมาลู่ไง มันไม่ลอยนวลมันไม่ได้เอาไปกินฟรีกายก็ดีในเวทนาก็ดีในกิจก็ดีในธรรมก็ดีนีแต่สติที่กับที่แก่ที่ไขที่หยุดที่ตัดหลวงปู่เทียนบอกว่ารูปแบบตัดตก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกหลวงปู่เทียนเอาไม้สองอันมาวางชนกันแต่ดูไม่เป็นก็เลยว่าไม่อ่านเดียว พอเนื้อมือไปชนตรงกลางก็ตัดออกไปนี่นี่มาปู่เทียนบอกนะให้ทําแบบนี้เอาไม้สองอันมาชนกันเข้าเอานิ้อมือไปสอดเข้าตรงที่มันชนก็แยกออกให้ลูดตัดแบบนี้ให้ลูดตัดแบบนี้อะไรก็ตามให้รูดตัดแบบนี้เป็นสุกก็ตัดแบบนี้เป็นทุกข์ก็ตัดแบบนี้เป็นหลงก็ตัดแบบนี้เป็นอะไรก็ตามรูดตัดอย่างนี้ลูดตัดอย่างนี้รูปแบบตัดต ไม่ใช่รูปแบบต่อถ้าเป็นความรู้รูปเป็นข้างรูปเป็นข้างมันจะเก่งเวลามันรูดตัดนะมันตัดในตัวเก่งมันเคยคิดตัดให้สั้นลักยาวให้บั๋นลักส claro> ั้นให้ต่อตัดความหลงมันต่อความรู้ตัดความทุกข์มันต่อความไม่ทุกข์ตัดความโกรธมันต่อความไม่โกรธตัดหลงมันต่อความไม่หลง ล็อกยาวให้บันลักสั้นให้ต่อรูปแบบตัดความรู้สึกตัวจริงๆอย่าไปรี ล, ลีโลโลอย่าไปทําไมอย่าไปาหาเหตุหาผลทําไมจึงเป็นอย่างโน้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตัดยิ่งไปต่อไปเชื่อมเข้ า, าพูดคําว่าทําไมไปคิดคําว่าทําไมเนี่ยมันเชื่อมต่อรูป เ, เฉยๆมันตัดมันตัดเข้าไป ผูที่เจริญสติก็พอมากจะเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปใช้สมองหาเหตุหาผลความหลงกวามมซื่อบือ้อซื่อๆอนันไม่มีเหตุไม่มีผลของความหลงเราก็โู่แบบตรงๆครับปหาเหตุหาผลจากความหลงไม่ได้หาเหตุหาผลจากความโกรธไป็ได้ตัดไปเลยหาเหตุหาผลจากความสุขความทุกข์เป็ได้ตัดไปเลยภาธุรืเจ้า โทษจะแบบสากลกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตัดเลยเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาอันที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ตัดไปเลยสติเข้าไปตัดไปเลยหายไปเลยจิตที่มันคิดโน่นคิดเน่พุ่งเฟื่องพุ่งเฟ้อสับสนหมกมุน่นรู้ตัดเข้าไปเลย แต่ก่อนมันยาวเกิดอะไรที่เกิดจากกิจมันยาวยาวเป็นภพเป็นชาติเป็นชรามรณะโสกเปริเทวทุกข์เป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดต่อกันไปต่อสันตติต่อเอาไว้ต่อเอาไว้านา้ําที่มันไหลน้ําเก่าไหลไปน้าใหม่ไหลมาเรียกว่าสันตติสภาพกิจที่มันเป็นอย่างนั้นมันคิดเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ไม่มีสติไม่เห็นโลกไม่เห็นความคิดขาดเหมือนเราไปเห็นน้ำไหลโอ้น้ำไหลแต่มองดีๆแล้วน้ำมันก็อันเก่ามันไหลไปอันใหม่มันไหลมามันสันตติมันสืบต่อมันสืบต่อกันการไหลแล้ววัดเทไปทันทาเลไหลไปอะไรก็ตามที่เกิดกับจิตเนี่ยมันเป็นแบบนั้น ผู้ที่ไม่มีสติไม่สร้างสติจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นความคิดไม่ค่อยเห็นจิตที่มันคิดมันก็อยู่กับความคิดต่พื้นเตะพื้นไปพอรู้สึกแต่ว่าเวลาฝึกใหม่ๆอย่าไปยุ่งกับมันจิตเนี่ยมันจะคิดหรือมันไม่คิดอย่าไปยุ่งกับมันเรามายุ่งเรามาสร้างเรามาตั้งเรามาตั้งไว้ที่กายของเราของยา ก, กายเป็นของง่ากของหนกักกายเป็นของเบา เราไปคุมจิตเนี่ยมันจะยุ่งจะยากเข็ดหลาบบางทีถ้าไปเกี่ยวกับอันผิดอันถูกอยู่กับผิดเสียก่อนนะมันจะวกวนสับสนไม่ลื่อถอนเหมือนเราไปเด็ดยอดไม้แต่ลากมันอยู่มันก็จะพอกขึ้นมาอีกแบบสมถกรรมาฐานคุมจนสงบจนนิ่งจนไม่มีอะไร ในจริมก็มีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเวลาคุมมันก็ไม่งอกมันเราเหินเราไม้ไปทับหญ้าคามันก็ไม่จริงเอาไม้ไปทับไว้มันไม่เป็นของจริงวิธีที่เราทำเนี่ยมันก็ถอนรากตั้งแต่ดูกายเนี่ไปกายก็ปราบเข้าไปเวทนาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เป็นทวารที่เอามาเป็นลดเป็นชาติในเวทนา รสชาติในเวทนาทําให้สัตว์โลกติดแม่แต่สุขติดแม่แต่ทุกก็ติดบางทีอาจจะติดทุกข์มากๆด้วยซ้ําไปความสุขอาจจะมีบ้างๆวับๆับแหมแต่ความทุกข์อาจจะมากมันติดติดในเวทนาเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาบอกมาปราบมาปรามไปสองขั้นแล้วถึงเวทนาแล้วมันก็ปราบไป พอไปดูกิจ ล, ออล ะ, ะอ่อนไปเลยเ่อนอ่อนไปเลยเมื่อก็มันมีพลังตั้งแต่กายตั้งแต่เวทนาเนี่เหมือนรถที่เขาจะเอารถขึ้นรถแมกโครขึ้นเทนเลอร์เออเอาเว้าเอาควยขึ้นรถเขาจะต้องหาที่รดลาดที่สูงไว้ก่อนมันขึ้นง่ายการขึ้นไปสู่กิจ ขึ้นจากกายจากเวทนาไปพอไปเอากิจความเพ่งทังกิจมันง่ายกายก็ช่วยแล้วเวทนาก็ช่วยแล้วช่วยให้เกิดความรู้สึกตัวสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวกายเนี่ยเวทนาก็สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวพอไปเกี่ยวข้องกับกิจเนี่ยมันก็ง่ายไปตัดง่ายกว่ากายเวทนา เกี่ยวข้องกับกายอย่างออกแรง mm. เกี่ยวข้องกับเวทนาต้องทวนกระแสะพอสมควรไปเกี่ยวข้องกับจิตนี่ง่ายกลัวง่ายกลัวกายง่ายกลัวเวทนาเพราะจิตมันไม่มีอะไรกายมันก็มีเป็นดุนเป็นก้อนมันก็ปวดจริงๆิมันก็เจ็บจริงๆมันก็ร้อนจริงจริงมันก็หนาวจริงๆมันก็หิวจริงจริงไม่มีสติมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆ พอตัดได้กายก็ดีเวทนาก็ดียึดพื้นที่ของกายของเวทนาได้พอไปเจียวข้องกับจิตมันก็ง่ายแล้วว่าร่วมมือกันง่ายง่ายจิตกับสติเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรที่เป็นจิตก็เป็นเรื่องของสติอะไรเป็นสติก็เป็นจิตจิตกับสติเป็นอันเดียวกันไปเลยเป็นอันเดียวยิ่งกว่ากายกับเวทนาเพราะเวทนามันคนละเรื่องกัน แต่ว่าจิตเนี่กับสติเนี่เหมือนกับอันเดียวกันน้ำกับน้ำน้ำลำบากเท่นาน้ำในสระวัดน้ำในคีน้ำในบูนอันเดียวกันนมกับน้ำอันเดียวกันเข้ากันได้ความรู้สึกนี่ยเข้ากันได้ก็ความหลงความหลงเข้ากันกับคิดไม่ได้แต่พอเราสัมผัสดูแล้วนะให้ฝึกไปให้ฝึกไปจะพบทางพบประตูออกประตูปิดเปิด ใช่ได้ชีวิตนะแต่ชีวิตใช่ไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตมันเรื อ, องเราที่อยู่อาศัยต้องเป็นสิ่งที่ใช่ได้ประตูเปิดได้ปิดได้อะไรก็ตามเที่มันใช่ต้องใช่หลายๆอย่างในรถมีลาก็หยุดได้วิ่งได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไวัยได้ชาได้มันจึงเป็นของใช่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกนันแต่เมต่อไป กายเอาไปกิ น, นเวทนาเอาไปแล้วเป็นของกายไปเป็นกูอยู่ในกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาเป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตชีวิตมันใช่ไม่ได้ไปชีวิตมันใช่ไม่ได้มีแต่อันอื่นเอาไปกายเอาไปกินมันก็หลอกเราตั้งแต่เกิดจนตายเวทนาก็หลอกเราตั้งแต่เกิดจนตายจิตก็หลอกเราไปเรื่อย หลอกไปเป็นภพ Todos, เป็นชาติเป็นเปรตเป็นสุรกายไม่รู้สึกตัวเลยความหลงก็ไม่รู้ว่ามันหลงเป็นผู้หลงไปความกโกรธก็ไม่รู้ว่ามันกโกรธเป็นผู้โกรธไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เป็นทุกข์ไปเข้าไปอยู่กับเขาไปเป็นกับเขาร่วมวงกับเขาแสดงกับเขาเวลาหมดทุกข์ก็แสดงทุกข์หมดเนือ้อหมดตัวแต่เมันเกิดขึ้นกับกิจพอมามีสติแล้วมันไม่แสดง มันยืดแล้วมันไม่แสดงสติไม่มีแสดงนะกายก็ไม่มีการแสดงเวทนาก็ไม่ได้แสดงกิตก็ไม่ได้แสดงเพราะสติมันปิดฉากมันยืดพื้นที่มันชักมันชักสะพานไม่มีอะไรจะมาแสดงได้มันเป็นไปทรมนองนี้การปฏิบัติธรรมให้เราลองดูแบบลึกซึ้งเห็นแบบลึกซึ้ง ดูแบบเผดเผยไม่อยากดูเขาเปิดตัวให้ดูก็ไม่ดูเขาแสดงให้ดูก็ไม่ได้ดูแล้วไม่คิมดูไม่ได้สัมผัสรสชาติภาวะที่ดูจริงๆไปสัมผัสรสชาติอันหลอกๆเวลาใดมันหลงเหมือนกัมีรสไม่ชาติเวลาใดมันทุกข์เหมือนกับมีรสไม่ชาติเวลาใดมันสุขเหมือนกับมีรสไม่ชาติมันหลอกเอาความรู้สึกตัวนั้ น, นเป็นรส เดี่ยวในลดพฤตธรรมนี่ ย, มยไม่ได้คิมดูจริงๆอะไรสัมผัสจริงๆบางทีก็จับจับวางๆเหมือนเราถือห่อข้าวเอาไว้ไม่ได้กินว่าตัวเองไม่ห่อข้าวเวลาหิวก็ไม่กินเอาไปให้คนอื่นจินคนอื่นเขาก็อิ่กอมก่อนบางทีผู้ที่สอนทำบางทีเขาลูกก่อน คนที่บอกทำรรบางทีไม่รู้ถือห่อข้าวไปให้คนอื่นกินต้องสัมผัส ด, ดูดีๆความรู้สึกตัวนะปั๊บพร้อมๆกันไปพลิกมือมรู้สึกถ้ายมือรู้สึกจุกมือรู้สึกอ๋อ ม, มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกมันจะติดเหมือนกันรถผ่าทย่อมชนะรถท่องพวงมันติดรถเหมือนกัน ทัู้่ทั้งหลงทั้งลู่ทั้งหล ง, ลงลไปพ่อมๆมกันมันมันก็ไม่ชัดเจนเป็นรถพอทำมันไม่สัมผัสได้ชัดเจนมีอะไรมาทําให้รถมันเสียทังลู่ข้างหลงแล้วรถเสียเหมันทะเลมันเกลือหยิบหนึ่งน้ําหลายมากไปลงใส่เกลือเอาเกลือไปลงใส่น้ําำ ลดพฤติธรรมให้มันลดล่นล้นลู่ล้นล้ น, ลนหาวิธีให้มันลู่ซื่อซื่อลู่ตรงๆมือมก็ไม่อยู่เอามาพลิกพร้อมๆร้อกิริยาที่พลิกมือซื่อซื่อตรงๆกัลู่แบบซื่อซื่อตรงๆยกมือขึ้นกับลื่ลู่ซื่อซื่อตรงๆเอามือมาไหวหน้าท้องกับลู่ซื่อซื่อตรงๆรงให้มันลู่กับริบบที่มันเคลื่อนไหวพอดีพอดีกัน รู่ก่อนลู้หลังก็มาเอาพอดีพอดีกันไปพอดีไปพร้อมกันอริีบทนิมิตกับลู้เนี่ยไปพร้อมๆมกันมันก็มีแต่ความลู้มันไม่ใช่อริีบทแต่ลู้ดีๆมันไม่ใช่อรีบทไม่ใช่ยกมือมันเป็นความลู้ศึกตัวไม่ใช่หายใจมันเป็นความลู้สึกต okay. huh? ัวไม่ใช <filters> ่พิฟตตามันคือความลู้ศึกตัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดมันคือความลู่ศึกตัวนะ ไม่ใช่ว่าหายใจนะไม่ใช่เอาไปเอามาเป็นอันเดียวนะมันเป็นอันเดียวมันมีแต่ความรู้สึกตัวเป็นชีวิตไปเลยมัะนะความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนคือความรู้สึกตัวท่องหมดทำให้มันแม่นมีดินเหมันฟื้นมีปืนเหมั น, น, ม น, หมนยิงยิงให้แม่นยิงให้แม่นแม่นอาจะลู่ลู้ไปเลยถ้าไม่ลู้อย่าไปทํามันทิ้ง ยิงเข้าป่าเข้าดงไปไม่จริงไม่เสียแรงทิพตาดูคื่อนน้าลายดูรูยกมือดูรูเดินดูรูเคลืค่อนไหวดูรูให้มันแม่นแม่นหัดให้มันแม่นแม่นอุทิธรรมใหม่ๆเริ่มต้นให้แม่นยําดีๆเจอะไปมวยคิดจะไป่วยโพิสูจน์เจะไปมวยทดลองการปฏิบัติทำแบบการเจริญสติไม่ใช่ทดลอง เป็นการสัมผัสเป็นการส S <S uh. ัมผัสกับรสความรู้สึกตัวเมื่อสัมผัสกับรสความรู้สึกตัวมันจะมีรสอะไรเปรียบเทียบความสุขความทุกข์ความหลงอะไรละมันจะเป็นรสที่เปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวมันเทียบกันไม่ติดเลยถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งความรู้สึกตัวอะไรก็เปรียบเทียบไม่เป็นเอาไม่เป็นเลือกไม่เป็น คมหลงก็หลงอยู่งั้นแหละเลือกไม่เป็นแต่เรามีความรู้สึกตัวนาะแต่บางทีต้องอาศัยเวลาถ้าผู้ที่ทําความเพียรอย่างแม่นยํานะเวลาไม่มากเวลาไม่มากจริงหนึ่งวันก็ยังใช้ได้แล้วชั่วโมงหนึ่งก็ใช้ได้แล้วมันแม่นยําแต่ก่อนเคยพูดกนอกปฏิบัติดูนอกปฏิบัติเขาบอกว่าถ้าทําแบบคุณทนะํานี่ย ทำอยู่เดือนหนึ่งไม่เท่ากับผมทำชั่วโมงเดียวก็พูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปถามเวลาเราไปดูเนี่ยเอาหลงออกหน้าออกตาความหลงออกหน้าเราดูก็ออกคนที่มีความหลงออกหน้าคนที่มีความรู้สึกตัวออกหน้าเราดูก็ออกเขาทำความเพียรอยู่หลายวันยังมีความหลงออกหน้าออกตา บางคนทําความเพียนไม่หลายวันมีความรู้ออกหน้าออกตาก็มีเหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่ทําศักดิ์แต่ว่า ย, ยกมือการเดินเฉยเฉยเงยไหลไข ย, ย้อยนั่งหลังขดหลังงออาจจะไม่จริงเสมอไปต้องอยู่กับกิงก็คือความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาการใช้ชีวิตเติมเข้าไปาเติมเข้าไปนะในวิธีปฏิบัติก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับ ว่างเคล็ดลับแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องค o p ป้จากครูบาอาจารย์ Copy ี้ไม่ได้เด็ดขาดต้องเป็นเรื่องของใครของเรา COPY ี้หรือว่าคัพปเรื่องเทคนิคต่างๆเรียนจากกันไม่ได้นะต้องเป็นของตัวเราตัวใครตัวมันตรงที่ขยันตรงที่ใส่ใจตรงที่วางใจมันก็มีเหมือนกันขยันตรงไหน ขยันตรงที่มันไม่รู้นั่นแหละเอาความรู้ไปใส่ขยันตรงที่มันหลงเอาความรู้ไปใส่ขยันตรงมันหลงเอาความรู้ไปใส่ขยันตรงที่มันทุกข์เอาความรู้ไปใส่ขยันตรงที่มันสุขเอาความรู้ไปใส่นั่นแหละขยันบางทีนั่งสร้างแกว่าย่เวลามันหลงก็หลไปกับมันนั้นเสียดข้าวนะบุได้บนได้คุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิด ไม่รู้จักสลัดความคิดไม่มีสติแม่เธอนั่งอยู่แม่เธอเดินอยู่แม่เธอทําอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นบุคคลเกียรติค้านส่นผู้ใดเมื่อใดคุณคิดในเวลาที่คุณคิดเธอไม่สติสลัดความคิดนั้นออกรู้สึกตัวแม่เธอนอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปราลบความเพียนประพฤตเจ้าตัดอย่างนีน้มันอยู่กับการกระทํานะ ใส่ใจดีๆสนุกสนานไปกับการประกอบการทำความเพียรอย่าไปเศร้าโศกง่เงาเบืนายขี้เกียดไม่ใช่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองให้ดีๆเยี่ยมเย่ยมแจ่มใสมองอะไรมองแบบลื่นลื่นราบเรียบอย่ามองแบบชอบไม่ชอบคิดผิดทุกๆ เอาผิดเอาถูกชีวิตมีแต่ผิดผิดถูกถูกสร้างเสียงแวดล้อมให้กับตัวเองไม่ดีชีวิของเรามันต้องหลุดไปไม่แต่ความรู้สึกตัวถอนนั้นนั่งทําความเพียรอยู่ใครจะโวยวาย ไ, ไม่เป็นไรรู้สึกตัวเลยไปอยากจะมาทํำอะไรไม่เป็นไรรู้สึกตัวเลยไปอย่าซุกซนไปหาเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นสิ่งอื่นว่าถุอื่นอยู่กับเหนือกับตัวอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างนี้นนะ สร้างเสียงเวทล้อมให้กับกิวิตของเราในเวลาเรากำลังฝึกหัดใหม่เหมือนกับเราสร้างเสียงเวดล้อมให้ต้นไม้ต้นกล้าเล็กๆทำหลังคาลำไรลาไรแหลกบ้างล่มบ้างให้เขาได้ตั้งให้ตัวให้ดีหรือเมล็ดไม้ที่ยังไม่งอกสร้างเสียงเวดล้อมให้เขา เอาผ้าผ้ติดครุงให้อากาศโอเป้าหรือเราปลูกเห็ดฟางฝนจะตกหรือแดดจะออกเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันดีๆให้มันคล้่นอเป้าเห็ดหูนหนูออกเห็ดฟางออกสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ช่วยได้นะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ภายนอกเสมอไปในการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมต้องเป็นภายในของเราอันนี้เลยว่าลูดให้ฟางนอ้อ มันก็พูดธรรม ะ, ะแ ป, ป๊บเดียวมก็จบแล้วนะมีสตินะเห็นรูปเห็นนามนะไปแ ป, ป๊บเดียว 2-3 ส, สาคำจบแล้วแสดงธรรมแต่ว่าการแสดงคำว่าแสดงเทศนาคือแจกแกงเพื่อให้เห็นเยียเห็นมุมต่างๆช่วยกันตกแต่งเสริมสร้างให้กับผู้ปฏิบัติกับนิสัยปัจจัยต่างๆ แตกต่างกันไปเพื่อให้มันเกิดความง่ายเกิดความชัดเจนแม่นยําเข้าไปเราก็สร้างจังหวะเหมือนกัน14จังหวะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เรานอกจากจังหวะที่เราสร้างเหมือนกันนี่มันมีอีกเยอะแยะนะมันมีอีกเยอะแยะที่เราเอามาประกอบกับ14จังหวะให้มันได้ให้มันเข้าลงเดียวกันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเป็นพลังร่วม แนวร่วมให้เกิดสิบสี่จังบะให้เกิดสติชัดเจนไปอย่าไปทำรุ่นรุ่มร่อนรอนเปินไปเป็นการปฏิบัติที่เราจะต้องหามาประสบการณ์บทเรียนบางทีเราไปถามว่าเดินชาหรือไวดีนั่งเท่าไรเจ้าวงเดินเท่าไรเจ้าบงวันนี้มันไม่มีคำถามหรอก มันอยู่กับเราที่เราจะสร้างให้กำไรมีช้าหรือไวมันอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับสูตรสำเร็จมันอยู่กับเราตามการและเวลา